ชายฝั่งท่าน้ำก็ราบเรียบทั้งโครจรคามก็มีอยู่โดยรอบเป็นสถานที่เหมาะจริงหนอที่จะบำเพ็ญเพียรสำหรับกุลบุตรผู้ต้องการทำความเพียรภิกษุทั้งหลายเรานั่น แ, แลได้นั่งลงแล้วณนะที่นั้นโดยตกลงใจว่าที่นี่ละเหมาะที่จะบำเพ็ญเพียรพระพุทธเจ้าได้เหล่าพระสาวกเมื่อเสด็จไปประทับหรือไปอยู่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 เช่นตอนหนึ่งว่าภาคพื้นภูผาเป็นที่ร่าเริงใจมีต้นกลุ่มมากมายเรียงรายเป็นถิวแถวเสียงช้างร้องก้องกังวานเป็นรมย์่สถานถิ่นขุนเขาทำใจเราให้เรื่อนรมขุนเขาสีทมึนดุดเมกงามเด่นมีทาง น, น้ำเย็นใสสะอาดดารดาดด้วยผืนหญ้าแผ่คลุม มีสีเหมือนแมลงค่อมทองทินขุนเขาทำใจเราให้เรื่นรมยอดภูผาสูงตรงานเทียมเมฆเขียวทมึนมองเห็นเหมือนเป็นปราศาส์กำปนาดด้วยเสียงช้างคำรนร้องเป็นที่ร่าเริงทินขุนเขาทำใจเราให้เรื่นรมรวมความดังได้กล่าวแล้วพระอรหันได้พัฒนาอินทรีย์แล้ว